ก็เป็นมัดทั้งนัน้นแล้วที่อัตมัดขึ้นมา ม, มา ม, มาัดขึ้นมาปฏิบัติทางแ้วเรื่อนว่าเดินทางสายกลางไม่ยิ่ง น, นักไม่หย่อนนักเก็บเงื่องก็ไม่ได้เนือทางสายกลางไม่ได้อะไรเนี่ยทางสายกลางแบบมันทางสายกลางแบบโม่แบบซึ่งไม่มีขุดมีโค้ดมีเขียน คนมันฟากฟันหันเหล็กกันมนั่งมันได้เลยมีว่างมั่นะว่างยังบอกมัจจิมาแปลว่าความเหมาะสมว่านี่การปราบพิเดชให้เหมาะอุบายวิถีให้เหมาะกับพิเดชประเภทนั้นๆพิเดชผาดโผลก็มัจจิมาก็ผาดโผนไงเวลาลพิเดชและอยากไปมัจจิมาคื วายวิธีการนี้มันก็เหยียบปตามกันทันกันไปโดยดั่งดับดับเนื้อกว่ากิเลสก็ฆ่ากิเลสได้เนื้อกว่ากิเลสฆ่ากิเลสได้ห ล, ล, ลับไปเรื่อยทนี้มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วค า, ามัชฌิมาปฏิมทาต้อหมดปัญหากันไปเพราะเป็นเครื่องแก้กิเลสเป็นสมมุติอันหนึ่งเหมือนกันฮะกิเลสก็เป็นสมมุติมัชฌิมาก็เป็นสมมุติแต่กิเลสมันเป็นฝ่ายถูกมัดมัิมาเป็นฝ่ายแก้ อายสัตทั้งสี้จึิงเป็นสมมุติทั้งหมดทุกสมุทยัยนีโรสนะมีโรสก็ดับทุกแล้วดับแล้วจะไปหาอะไรก็มันดับแล้วก็เมื่อทํางานความดับทุกเพิ่ลงไปเอเป็นส่ว น, นวาระสุดท้านเพิบลงไปแล้วก็รู่ดับดับไปแล้วจะไปเอาอะไรอีกมันดับแล้วหนึ่งแล้วไปแล้วนี่งผู้ที่รู้ว่าที่เรียนดับคืออะไรนั่นผู้นั้นไม่ใช่ใสัจะทํา เอาอันนั้นต่างหาถ้าจะเอาคำว่าเอานะนะแต่ท่านไม่ว่าเอาว่าทิ้งถึงความเหมาะสมอย่างยิ่งเหมาะสมตายตัว ม, มาทนะีมาอะไรหลักธรรมชาติเอาอันนี้จะเป็นเป็นกลางเป็อย่างนั้นรักทางเป็นความพอดีหรือความพอตัวอยู่โดยจำทังกันได้ มันหิวไม่หอย ไ, ไม่มากมันน้อยกว่านั้นเป็นธรรมชาติแต่การความสนะเสริญเข้ามาก็รับ่นด้ความอินคาเข้ามาก็ไหมอนรับเพราะพอแล้วพอตัวแล้วทุกอย่างมัดจินมาปฏิบัติไม่ใช่อเลี้ยดตัดสินอกไปจากอาเลี้ยตัดสินเช่นอย่างมักสี่ผลสี่อย่างนี้เหมือนกันนิพพานหนึง่งผู้ ถ้ามันจะพาปฏิบัตินี้สงสัยวันยังคางเอาปฏิบัติให้ถึงอยู่ที่หาความสงสัยที่ไหนสิณวารา ส, สุดท้ายขณะจิตที่พลิกตัวที่จะหลุดพ้นจากวิเลศนั่นเป็นชั่วจริมคัคจิตขึ้นมาในหลักฐานดังกล่าวชั่วจริมคัคจิตท่านึ้นลัดมือโยผักหมายถึงขณะของจิที่สลับตัวกันเขวาวิชาเช่น พราอนั่นมันพับแต่นั่นอะมากลิ่งถึงผลในขณะพับนะพอหยุดแต่นั้นแล้วขั้นเขาเรียกว่าอารหาตผลนั่นแหละแต่นั่นก็คือนิพันธ์นี่นสำเร็จอรหาตผลคือสำเร็จความอันนี้พุกนีนนก่เลยเรียกนั่นไปว่าเป็นสำเร็จอรหาตผลถ้าว่าหยุดผลระหว่างผลก็มากยังทํางานต่อกันอย่างนั้นเราจะเรียกว่านิพัน์ไม่ได้เพราะเป็นทําคู่ ช่วยเศรษฐกิจที่กําลังวิ่งนะขนาดนั้นที่กําลังพับในขนาดนั้น่นะมรรคผลวิ่งถึงกัน mm. ก็เหมือนเราเดินขึ้นมาบันไดขึ้นมาเนี่ยบันไดขาเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บันไดข้าหนึ่งเหยียบอยู่บนพื้นชลาแล้วอย่างนี้ยังไม่สำเพอข้ามค้าเทานั้นเดินมาพับพอถึงตึก นี่มากับผลมิ่งถึงการซึ้ลงตรงนี้พออยู่ซึ้งนั้นแล้วหมดปัญหาแล้วนั่นเป็นนิพพานแต่ทท่านก็เหยื่อแาตา่ผลเพราะไม่มีอะไรแย่งแล้วผมขนาดแล้วแล้วไม่หมดมันทางแย่งมันหมดปัญหาเลยนะทีท่านก็แสดงไว้เพื่อพูดเจะพิจารณาให้สมกับภูมิศาสนาพูดนึง่ะคือทำไมพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว้อย่างนั้นนะ บรรดาภาษาโมกีบรรลุธรรมท่าไหนเอ๊อันหนึ่งที่นอกนั้นทำไมพอ ไ, ไ, มไม่ทรงแสดงไว้ละหนักมันมันเลยแมพราะจึงทําให้สมภูมิศาสดามักตีผลสินิพพานก็หมดปัญหาทันทีเพราะบรรดาพระหรหัตทั้งหลายจะต้องผ่านอย่างนี้ไม่มีองค์ใดแม้แต่ลายเดียวที่จะไม่ผ่านอย่างนี้เลยแล้วเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นไปนไม่ได้ ต้องผ่านนี่พอผ่านนี่มาปั๊บแล้วก็จะต้องถึงจุดที่หมายเป็นโนั้นวหมดปริยาแล้วถึงในระหว่างมรรคผลนี่ก็กลายเป็ น, ร น, นปริยานัมนอนกานว่าทำไมนิโรดคุณทาให้แจ้งให้แจ้งทำไมนิโรดให้ทําให้แจ้งนะให้มันเป็นมิโรดคุณเห็นไหมนะมิโรดคือความดับทุกข์ให้พยายามดับทุกข์ให้ได้ภาษาของเรานาะมิโรดมันทำให้แจ้งมันเลตีความหมายผู้อื่นเชียะ ตอนนี้นวดจะต้องทําให้รวดให้แจ้งจะทำยังไงยังไงเลยตายใหญ่ไงเลยไม่ทราบว่ากินยาที่ทำนั่นคืออะไรก็เพื่อทํำรวดให้แจ้งในขณะเดียวกันคือเพื่อดับพิเรนต์นั่นเองเพื่อฆ่าพิเรนต์เมื่อค่าที่เรนต์ตายขณะในที่รวดจะแจ้งขึนในขณะนั้นโอ้ความจํากับความจริงมันผิดกันคนละโลกนาะความจริงมั น, มนตายตัว ความจำจําเป็นคลิกไปนู้นคลิกมานี่หาความแน่นอนไม่ได้เพราะเราจะาความจําความจํามาเทียบกับความจริงมั น, นเทียบไม่ได้เช่นนี้ว่าพะมรโลกนี่นีะหรือมรตีนี่อรหัตโ ส, าสดาปฏิมากโสดาปฏิผลสกิทาคารมกีอาการผลนาคา ร, ขาขาขาขรมารนาคารผลอรหัตธรรมอรหัตผลมันจะต้องฆ่าแต่ตามความจำหนึ่งคือจิตนี่มันไม่ได้เป็นมากเป็นผล มีแต่ความจําชื่อของมาของผลจํำมาไว้จนกระทั่งนิพานหนึ่งท่องแล้วจนปากจะฉีดว่างแต่ขีดมันก็ทั้งทั่งขีดท่องิพานจนปากฉีดจําได้จนติดใจไม่มีหลงลืมเลยมันก็ไม่ได้เป็นนิพานใจตรงนั้นหนักมันก็เป็นที่เหลืออยู่ดีๆนี่คือว่าความจำมันเป็นอย่างนี้ นี้เวลาจิตเดินผ่านเข้าไปตามลำดับธรรดาเพื่อการปฏิบัติที่มันเป็นความจริงรู้จริงเห็นจริงเข้าไปโดยลําดับลำดับห่ะหายตะอสายไปเรื่อยดก็เหมือนอย่างเราจําได้ว่าเอายกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะฮเมืองลอนดอนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราวาดภาพพอมีคนอื่นมาเราให้เราฟังผู้นั้นไปเห็นไปเห็นเมืองอังกฤษแล้วไปเห็นกรุงกรุงลอนดอน แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเมืองกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น น, นแล้วกรุงรอนดอนเฉพาอย่างงิ่งอันนี้กรุงลอนดอนเป็นอย่างนั้นนั้นพูดที่ไม่เคยเห็นกรุงรอนจะวาดภาพไปโอ้ยว่าโน่นนี่แต่เวลาไปไปไ ป, ไปถึงกรุงลอนดอนแล้วไปถึงเมืองกิดได้ที่ไหนใัก็รู้อ๋อนี่เมืองปิดแบบนี้ภาพที่หลอกตัวเองอยู่นั้นหรืที่วาดภาพนั้นมันล้มละลายกันหมดเพราะความจริงคือเราไปเห็นด้วยตาของเราเองนี่เป็นความจริง ในภาพทั้งหลายที่เราวาดก็จะก่อนมันเป็นความจําเป็นของปลอมมันก็นล้มละลายไปหมดไม่มีอะไ ร, รอยู่เลยเหลือตั้งแต่ความจริงนี่กับมอนกั น, นวาดสีนิพานมักสีสีนิพพานหนึ่งเป็นความจําำอ๋อมันตั้งคำมันมีหายตสงสัยวาดเข้าไปถึงความจริงแล้วมันหายสงสัยเป็นลาหนักบําหนับลำหนับลหนับเพราะฉะนั้นความจริงกับความจำจึงต่างกันคนละภาพฟ้าแดงดินใช้กันเมื่อ เืองนี้เองพระหนต์มีกี่หมืนกี่แสนองค์จะวัดพันในกี่หมืนกี่แสนมีล้านออกมาตามท่านจะหาที่คัดค้านกันไม่ได้หรือเมืนหนึ่งไปคนไปที่ไปเห็นเมืองอังกฤษเมืองนอนดอนไปเห็นด้วยกันได้งเต็มหูเต็มตาแล้วมาค้านกันได้ยังไงใครก็เห็นดือยกันแล้วหาที่ค้านกันไม่ได้มรรคผลพาน์เป็นยังไงมรรคสดาวัตถุมรรคเป็นยังไงสดาวัตถุ โฉนจิตาคามรรคและผลเป็นยังไงอนาคามรรคและผลเป็นยังไงอรหัตธมรรคและผลเปยังไงซึ่งเราเคยคานมาคำมาพอผ่านเข้าไปผ่านเข้ไปมันก็รู้เองรู้เองหายใสจนกระทั่งถึงนิพพานนี่มันเหมือนกันคำว่าหนึ่งมันหาที่แย่งไม่ได้ถึงหนึ่งแล้วมันหมดสมดมติแต่ให้สมมติกรร็คืกอการความงสงสัยแบบนี้นี่เป็นส ม, มมุติทั้งนั้น กล้าขาถึงความจริงแล้วมุนปัญหาและทั้งหลายชื่ออีกชี่ อ, อนะึ่มดุดหวา<ะ>ความหลุดพ้นแปลออกว่าเป็นความหลุดพ้นนิพพานนห่ผว่าถ้าเรถึงกับต้องเหนผมเห็นในหนันงสือแค่ชีคนชื่อไม่ชี อ, อะไรนะที่วัดต่างน้ำเขาเขียน แบบแปลนโหเขียนแบบแปลนแผนถังนิพานอนิพานนี่วัดผ่าผุงกลางความยาวยาวเท่านั้นเท่านี้เลยว่าโอ้โหตายเนี่ยเราอ่านหัวใจเราเลยนี่ให้ตายยังอ่านกูตายนิพานแบบนี้อืมวัดผ่าผุงกลางความยาวเท่านั้นเท่านั้นอืมวัดผ่าผุ้งกลางนิ่านเนี่ยแบบ เ อ, วว เ, เอาไปทูลสมเด็จพระสังฆราชครมหลวงวชิรญานวงศ์นะเอาไปทูลท่านแล้วยังจะให้ท่านเซ็นรับรองอีกนะแต่ท่านขนาดสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณวงศ์ท่านทาน่ท า, นทานเป็นคนโง่หรือท่านถึงจะมาเซนให้ท่านก็ไม่เซนขอให้ท่านเซนรับรองท่านพอขอให้ท่านเซนรับรองอะถ้าเป็นของสิ่มารับรองกันไงทานก็ไม่รู้หรือว่าขายตัวเองขนาด เช่นรับรองนิพานผันนการเานั้นเท่นี okay, ้มันไปขายตันานมมติก็เลเกี่ยวข้องพอที่จะรับผานฝืการกว้างเทานยาวทนี้ือเปลี่นตัวเรารับาันฉัอิ่มนิดเอาแต่ไหนฉันฉัน อิ่เต็มที่แล้วเนี่เราลอง ว, วัดผ่าถึงกลางของความอิ่มดูสิมันกว้างม่แค่ขนาดไหนใครจะวัดได้ไหมถ้าท่านเป็นสมุนละ่ะวันวันนี้ฉั น, นัาหันก็อร่อยเอาวัดผ่าถึงกลางความอร่อยดูสิมันลึกมันขึ้นมันยาวละเอียดแค่ไหนกี่เส้นกี่วากี่เม็ดกี่ก้ะเบียดกี่เส้นเะนีะถึงขั้นอิ่มอีกแล้วออิ่มเต็มตัวทุกคนรู้ด้วยกันทุกคนอิ่มเอาที่นี่วัดผ่าถึงกลา ง, งดูสิมันก็มีจะ กว้างจอกยาวาหนาคืบแบนี้แค่เท่านั้นแลหละร่างกายนี่ม <c oughs> ันได้รับถ่าถึงการความอิ่มมันไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเพียงสมมุติขั้นนี้เรายังไม่สามารถจะวัดและนิพานนี้เป็นทำพ้นโรกสมมุติแล้วเราจะอะไรแต่ว่าถ้ามาอยากขายตัวให้เน่าเสื่ไปเฉพวกหัวเราเท่านั้นนี้ น, น้อ ง, ท, ง, ท, งท่านยังสมเสด็จพระราชท่าน ทรงรับรองให้เนรับรองนะท่านก็ไม่เ็น <c oughs> เนทนะี้วท่าไมไ่เป็นบ้าด้วถือว่าเป็นบ้าขนาดนไม่นใครก็ว่าถามกันแบนี้มตัวดาวที่จะอยูนนั้น กาขาคงเป็นงเงนต้นเร็ดอาลากาคงจะเป็นงินน เ, เดอาหลานนะคงจะเป็นางานนันคิดไปว่าภาพไปภาพของมโนภาพจาของคุงไปงกะภาพกันมีอะไรอะไรอย่าไม่ใช่ความจริงพอเข้าถึงความจริงปั๊บมันว่าันนด้ทิ่มเลยมันห า, ายลงัยเรื่องที่จะว่าภาพ ว, ว, ว, ว่าเรื่งว่าภาพวเพิมันล่มไปหมด เหมือนกัรเราไปเห็นกรุงร อ, อนนแล้วเนี่ยอ่ล้ไมไปหมดเลยแล้วแต่ความจริงที่เราเห็นด้วยตาของเราจากกับใจเป็นภาพภายในใจเป็นนรกถึงกรุงรอนอน์นี่เราเคไปเห็นแล้วไ ป, นะไปยังไงเราว่าดภาพไม่ได้ว า, า, าคคดภาพตามความจริงนั่นเลยไม่เห็นแนละ้วไม่วาดกำไมสงสัยไม่เห็นมันวาดปุ๊บนะมันปลอมนั่นแหละเช่นเมืองนั้ น, นเพราะว่า เมืองสหรัฐนี่ยมันก็ว่าดภาพแล้วว่าสหรัเป็นอย่างนั้นนั้นฮะและ้วเมืาาพพองนั้นเป็นอย่างนั้นมันก็ว่าดภาพคุกอยู่ว่าบุคคลนะเป็นอย่างนั้นมันก็ว่าดภาพอยู่ว่าดไม่อยู่ไม่ถอยหลอกมันอยู่ไม่ถอยเนี่ยพอไปเห็นตัวจริงไปแล้วมันก็หมดปัญหาทางสิ่งท่ภาพนั้นไม่อร่อ ย, ยแล้วเพราะความจริงจริงมันชนะหมดเดี๋ยวเราก็ไม่เห็นโทษของมัน มันวาดหรอกเึ็นเรื่องคนนั่นคนนี่นั่นชายนี่หญิงนี่มันก็ต้องวาดเป็นทันทีวาภาพเปตัวจริงก็เป็นอีกอย่างหลอกตลอดเวลานี่ระที่มาใหม่มีไหมนี่ยมาจากวาดไหนอะลรไม่ต้องกลับ พูดลงคําด่านของเรามาเสิวมันเข้ากันไม่ได้เลยมันก็ไม่ไอุบายขณะ น, น, นั้นเราก็ทราบแล้วภูมิใจมาทีนี้ใครจะไปพูดให้ฟังเหรอไม่ต้องไปดเพราะเราไม่ได้พูดเพื่ออวดนะเราพูดเพื่อหาทางเดินที่เรากำลังติดอยู่นั่นต่างหากจากอุบายของครูอาจารย์ตรงนั้นที่เหมาะสมซึ่งผ่านไปแล้วเข้าใจแล้วก่ อ, อ, อ, อ, อนเราทนี้ยังไม่เป็นไปเลยมันก็ต้อง ได้ปรโยชน์ลเลยนี่เราอย า, า, ากฟังอุบายวิสีของหมู่เพื่อนคือเปิดมาไหมเราพร้อมเส ม, มอที่จะแก้เต็รมที่กำลังความสามารถของเราอเราแก้ไม่ได้เราสุดปัญญาเราแค่ไม่เห็นได้ทีนะหรือยังไม่เคยคิดนะว่ามันจะสุดก็ติดกับปัญญาของเราที่เคยเป็นครูบาอาารแนะนํำผมเพือเ่อนมาว่าใจจนกรอบไม่สามารถจะแก้วิสิทนิงนั้นได้ เรายังไม่ได้คิดยังไม่ได้อยากฟังลูกคุณหวงน่ยคุงอัดอะไวันนั้นมาอัดอขจรนิพพประคุณนี่คือผมเคยพูดถึงว่าผมน่ะสบายทุณหลวงคนนี้อ่ะ <c ười> มีคนเยอะในโลกมีเคือได้รับความสบายมา <c ười> คือเป็นนิสัยเรื่อง นี่ใส่พูดสลายสบายมาหาลัยที่กรุงเทพโอ้เลยอันี้ผมสบายท่านอาจารย์ผมเกษียณก็เกษียณแล้วเงินเดือนผมเท่านั้นพันท่านก็บอกแล้วผมก็แบกแยกแล้วเวลาเกษียณแล้วผมจะได้เงินเดือนเท่านั้นเรื่เบียของนายคือผมเกษียรประแจแยกออกให้ครอบครัวให้ลูกให้ต่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ผมสบายาอาายันนี้ผมสบายมากว่ะ อ๋อคนทัางโลกมานาะว่าแคุณหนวงนื้อในใจเราไปเอา้เอาโยกกลันดิผมจะว่าเวลานมาทั้งลูกทั้งเมียที่ลูกนภาวนาเปเมื่อมาเล่าเล่ากันโอ้เป็นสุเป็นตนนะการพิ่นาเรื่องอัุฉริยะอัจไม่ช่เล่นนะทั้งทั้งเล่นทำงานนะเวลาให้ใครฟังอัจฉบายให้ฟังมันก็ไม่สุขใจเลยมันก็ มองเห็นได้ท่านอาจารย์เท่า น, นั้นอแล้วเคยฟังพูดให้ฟังหรือถึงจะมองเห็นว่าไม่พูดก็ตามเคยอาาย่านท่านหนังสือในหนังสือก็เรีแก้ได้พอสมควนแล้วเขาอยากจะฟังต่อปากต่อคำท่านการย์พินแต่คำว่าเล่าเรื่องเขงนาไม่เอาแต่ให้ฟังถึงอย่างทีพานหัวติ่นะพอจะเล่าฟังแล้วเออ阿拉ที่นี่อาจารย์ไม่เคยได้แสดงธรรมะประเภทนี้ให้ญาติโยมฟังเลยวันนี้จะแสดงนะว่าธรรมะประเภทนี้มีหญิงมีชายหรอกใครยูนย่นิงชายมิก็ ให้ลบกันทั้งหมดให้ฟังเป็นธรรมนาแล้วก็้าต้องถึงเลยทันทีแต่แล้วก็ถึงใจไปอาชิบาร์ให้ถึงเหตถึงผลถึงเหตุถึงผลเลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอระอริยธรเพิ่มเติมให้แก่แล้วก็เปิดทางให้ใจได้เดินต่อไปแต่ทีหลัที่ผมไหนบอกเราก็บอกว่าตรงนี้มา่าชิบาร์ให้ฟังให้คุยนานเราจะรู้เองเองจะบอกวิธีเขาไปนั่นเง ตรงนังนไม่เหมาะระวงเนี้มันจะเป็นสัญญาอารมณ์ไม่เหมาะอแกก็ยอมรับมันผิดใช่าหมฮะเลยฉันต้องการความจริงอันนันที่เป็นสัญญาอารมณ์เป็นสัญญาอารมณ์ฉันก็ไม่อยากอยากรับเพราะมันจะเป็นจริงๆเิีจกว่าเมื่อครูอาจารย์ว่าเป็นแล้วต้องเป็นพระครูอาจารย์ได้พิจารมาก่อนแล้วนี่เนี่ยแกพูดหน้าฟังนะตงงั้งแต่พิจารณากรดของเราเนี่ย คนอื่นคนใดมาพูดให้เราฟังโดยสัญญาลมทั้นี้เราเนี่ยรับไม่ได้นะใจว่างเพราะเราเป็นความจริงของเราเรารู้อย่างนี้จริงๆมีคนอื่นคนใดครูบาอาจารย์ในกรุงเทพเคยอธิบายให้ฟังเหมือนกันแต่มันไม่เข้าถึงใจเลยทีนี้มันก็ไม่มีเกใจที่ไปหาครูบาอาจารย์ใดเลยว่างที่พอมาฟังเราพูดแบบนั้นรู้แค่ถึงใจจริงนะยิ้มย้มแจ่มใสเออจังอย่างนี้เอาละที่นี่ฉันได้จุดมันแน่นอนหนั คนของเราก็บอกว่าเราไม่เคยทำอนิบาตธรรมะแบบนี้ให้ญาณโยมฟังแต่นี้มันสมควรที่จะพูดธรรมะไม่มีหญิงมีชายแล้วอาฟังนะจะพูดให้ฟังวายรษีแก้กิเลสกิเลสมันว่าผู้หญิงผู้ชายมันเข้าอยู่ได้ทั้งนั้นหัวใจนไงกิเลสมันก็ไม่เป็นหญิงม่นชายมันเป็นกิเลสคุณบอกเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสจึงไม่สนใจกับเรือ่องหญิงเรื่องชายเวลานี้ควรจะแก้อย่างนี้จะต้องแก้แบบนี้จะพูอย่างนี้พู ด, ดเลย เราแบบความจํามาเต็มหัวใจไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยแบกความจริงหนึ่งที่จะหนักไหมแบกความจำเนี่ยมันหนักเรากันไม่ว่ามันหนักแล้วแบกความจริงนึ่งดูพี่มันจะหนักไหมอ่าเอาว่าแบกมันเป็นเครื่องรับกันนั่นเนี่แบบความจําเอาแบกความจริงมันจะต่างกันไหมให้รู้ด้วยความจําแล้วก็เราก็รู้มาแล้วเรียนมาจากขี่คำภีต่างคนต่างเรียนมาเอารู้ด้วยความจริงการจากการปฏิบัตินี่ให้รู้ดูดมันต่างกันไหม ถ้าไม่ต่างพุทธยถาจะสอนให้ปฏิบัติทําไมน่นปริยาตปฏิบตัติปฏิเวชน่นตังสิปริยัก็คือการศึกษาเรียนมาพอรู้แนวทางเช่นเจส้าลุมานะขานตาจโจรบูชาจะมอบให้นั่นน่ะคือปริญาตแล้วนั่นเอามาปฏิบัติดีนี่พิจารณาเรื่องเจสาลุมานะขานตาโ จ, จเป็นต้นถ้ามันเห็นความจริงขึงข้นมานี่คือภาคปฏิบัติเมื่อเห็นความจริงรู้ความปินขึข้นมานนั้นน่ะสำหรับปฏิเวท่านแสดงขึ้นเป็นลำหนับลําดับ ไม่ใช่คำว่าปฏิเวทันจะต้องแสดงปวดเผือขึ้นในขณะเดียวเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ปรากฏขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปฏิเวทะคือรู้แจง้งเห็นจริงชัดในแงน่นี้ในกิเลสประเภทงงนี้ในธรรมแง่นี้แง่นี้แง่นี้ก็อเนื่งเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่แล้วก็ถอนลากก่าแก้มันออกชั่วดเดียวเท่านั้นนั่นเป็นปฏิเวทะเต็มภูมหมดภาชนะที่เคยแบกขามปวดโขมจิตใจมามากน้อย วุ่นวากับต่อสู้กับกิเลสมาหนักเบาขนาดไหนถึงเป็นถึงตายก็ปวดเบื่องไ เ, เครื่องลบเครื่องลาแบบชนะเต็มที่แล้วหนึ่คาบจุดหมอบลาหมุนแล้วก็ตดเครื่องเครื่องมือออกดูอย่างอิสระแต่การชนะกาณในสงครามมันมันผิดกันกันกบการชนะตัวเอนเป น, น, นที่ไหนดังที่ฉันกล่าวไว้แล้วและเคยพูดให้ฟังเสมอว่าในคำท่านพูดไว้แล้วว่า โยชาตั้งขาดเส้ น, นะทั้งงามเอมันุเซกิมีเอกังจะเทมัตตะนังตะเวทั้งงามมชุดตะโมการชนะกิเลสจะคูณด้วยล้านก็เถก็คือการชนะคนในการชนะในสงคราม น, นั้นจะคูณด้วยล้านก็เถอดไม่พ้นจากการก่อเวรนะหาความสุขไม่ได้แต่การชนะกิเลสของตัวเพียงคนเดียวเท่านั้นนั้นแหลคือความประสบสุด เอกัจเยมตานังเวะสั่งการมัทุตตะมุนคือประเสริฐสุดกว่าสงครามทั้งหลายทั้งกร ม, มนรมนุษยนะฟังดีเอกันจะเอกะเอกังเทยะอตานางตัง ต, ต, ตัดตัดตัดออถ้า เ, เรียนตั้งฝ่าบริมก็รู้ตัดบท้นทิบทสมาตออกนี่มันเป็นสนทิตัด เอกังเฉยะอัตตานะแต่ท่านสุนที่ก็ไปเพื่อให้ถูกกับคำฉันนะเยกันจากเชมตาตนาะเยเส้านาที่ตรคณะต น, นเพียงคนเดียวเท่า น, นั้นนะไม่ต้องมีกิเลสตัวใดที่จะมาต่อสู้อีกได้รบกันอีกเพื่อจชนะหรือแพ้แพ้กันอีกต่อไป มีประสบสุขเราไม่อยากได้หรือคำความชนะประสบชนะตัวของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องมองกิเลสตัวของตัวเสมอทุกๆุกรายทุกๆองค์ทีท่ทมาปฏิบัติอย่างยินปฏิบัติอย่างซึ่งมีหมู่เพื่อนจำเป็นจํานวนมากนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสอันหนึ่งนะพากันมัตระวังไว้ให้ดีอยากลืมตัวนี้นะพยายามแสดงความมีเที่ยวมีเขาขึ้นมาว่าตัวมีราคานั่นแหละ เขี้ยวหมามันจะกัดกันในลูกในตรงนี้ให้ดีเอาฟาดมันลงตรงนั้นมันก็เป็นธรรมขึ้นมานั่นแหละชนะตนตรงนี้อย่าเอากิเลสออกมาออกหน้าแออตาให้เอาธรรมออกมาอยูด่ด้วยกันเป็นพาสุอย่างที่พูดแล้วว่าให้มองกันในแม่ความเมตตาเสมอในแง่ความเป็นธรรมเสมอถึงจะไม่ได้มองในแง่ดีก็ตามเพราะแง่ดีเป็น มันอาจจะยังไม่ถึงแง่ดีให้ให้ชมอถึงแง่ดีให้ชมเป็นอันขั้นเราก็ชมก็เรียกว่ามองในแง่ดีถ้ามองในแง่ดีอย่างเดียวก็จะไม่เห็นในแง่ผิดของผู้อื่นและของตนขังต น, ตนเพราะฉะนั้นจึงว่าให้มองในแง่ธรรมะมองในแง่ความไม่กลตาหลังมสมเคาะซึ่งกันแกันอันนี้เป็นฐานสุดต่างคนต่างอยสบายมีความ ม, มาั่นคงอวัยวะเดียวกันอยู่ด้วยกันเป็นฐานสุด พต่างคงต่างมาจากที่ฐาต่างๆผลิตี่สายต่างกันมันอะไรไอันนี้มันฟังเทศก็ไม่ฟังนี่มันวุ่กันนะบ้ากลางโอ้อะนะได้ลกินแล้วย <c oughs> <c oughs> ุ <c> ่า <oughs> ท่านปัญญาอธิบายหมูก็ฟังอนยอาจารย์ก็เลิกนือเนือ <c oughs>